เมื่อรักษาปกครองอย่างนี้พวกทรัพย์ก็สลายไปเนี่ยนะดูแลทรัพย์ทรัพย์ก็เสียหายะนะบุคคลนั้นก็สเสวยทุกข์และโทมนัสแม้มีความสลายไปแห่งพวกทรัพย์เป็นมูลก็จักเศร้ามองจักมัวมองเพราะฉะนั้นจึงเศร้ามองมัวมองเหมือนคนโง่เช่นนั้นเนี่ย น, นะก็เดือดร้อนนะนะเดือดร้อนถ้าศึกไปไม่มีอาชีพอะไรไปทําชั่วก็เดือดร้อนอะเข้าคุกเข้าตารางถูกลงโทษโดยประการต่างๆ ถ้าไม่อย่างนั้นถูกตันหามันกลุ่มรุมกับพาทรมาหากินประกอบอาชีพเนี่ยนะทำไร้ไถนาทางป่าไปค้าขายตามที่ต่างๆไปรับประกอบอาชีพแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เดือดร้อนเร่าร้อนโดยสรุปก็คือภิกสุที่เรื่องลือว่าเป็นบัณฑิตอธิษฐานความประพฤติผู้เดียวแม่พายหลังประกอบเมถุนธรมจักเศร้ามองเหมือนคนโง่ฉะนั้น มุนีทราบโทษนั้นในความเป็นคารวาตอื่นแต่ความเป็นสมณะก่อนในธรรมวินัยนี้พึงทำความประพฤติผู้เดียวให้มั่นไม่พึงเสพเมถุนธรรมคำว่านั้นะนะคือมุนีทราบรู้เทียบเคียงทาให้แจมทาให้แจ้งซึ่งสมบัติและวิบัตินั้นคือยศและเกียรติในการก่อนคือในคราวเป็นสมณะย่อมกลายเป็นความเสื่อมยศและเสื่อมเกียรติของพิสูจนผู้บอกคืน พระพุทธบอกคืนพระธรรมบอกคืนพระสงฆ์และบอกคืนสิกขาแล้วเวียนมาเป็นครหัดในภายหลังอ่ะนะก็แยกให้ออกอะนะถ้าบวชอยู่ต่อไปแล้วดียังไงถ้าสึกไปแล้วเสียหายยังไงคำว่าในธรรมวินัยนี้เนี่ยนะก็คือสมณะเมื่อก่อนในธรรมวินยัยคือในทิฏฐิในความควรในความชอบใจในเขตแดนในธรรมวินยัยในธรรมวินยัยปาพจนพรหมจรรย์สัตว์ ในอัตภาพนี้ในมนุษย์โลกนี้หมายว่าถ้าบวชอยู่ต่อไปจนสิ้นชีวิตเนี่ยดียังไงต่อไปเนี่ยนะถ้าศึกษาลาเพศต่อไปและเสียหายยังไงก็เอามาพิจารณาคําว่าพึงทําความประพฤติผู้เดียวให้มั่นคงความว่าพึงทําความประพฤติผู้เดียวให้มั่นคงด้วยส่วนแห่งบรรพชาอย่างหนึ่งก็ด้วยการละความคลุกคลีด้วยหมู่เนี่ยนะที่บอกว่าถ้าหากว่ารู้โทษอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะก็ ให้อยู่ผู้เดียวตั้งกั่โดยการบวชกับโดยการไม่คลุกคลีนะคําว่าพึงทําความประพฤติแต่ผู้เดียวให้มั่นคงด้วยส่วนบนรรพชาอย่างไรก็คือมุนีตัดความกังวลในครว่าทั้งหมดตัดความกังวลในบุตรในภริยาตัดความกังวลในญาติตัดความกังวลในมิตรอมาตญาติสาโลหิตตัดความกังวนในลวงวนในการสังสมปลงผมและหนวดนุ่งหม่มผ้ากาสาวะพัดออกเรือออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต เข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลพึงเป็นผู้เดียวประพฤติคืออยู่เปลี่ยนอิริยาบทรักษาประพฤติรักษาเป็นไปยังอัตภาพให้เป็นไปมุนีพึงทําความประพฤติผู้เดียวให้มั่นคงด้วยส่วนแห่งบรรประชาอย่างนี้เนี่ยนะจตวรรษรักษาเพศให้ดีนะฟังกันพึงทําความประพฤติผู้เดียวให้มั่นคงด้วยการละความคลุกคลีด้วยหมู่อย่างไรมุนีนั้นบวชแล้วอย่างนั้น เป็นผู้ผู้เดียวซ่องเสพเสนาสนะที่เป็นป่าละเมาะป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกึกกรองปราศจากชนผู้สัญจรไปมาเป็นที่ควรทํากำลับของมนุษย์สมควรแก่การหลีกเร้นมุนีนั้นพึงเดินผู้เดียวยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเข้าบ้านเพื่อบินทบาทผู้เดียวกลับผู้เดียวนั่งในที่รับผู้เดียวอธิษฐานจงกลมผู้เดียว เป็นผู้เดียวประพฤติคืออยู่เปลี่ยนอิรยาบดประพฤติรักษาเป็นปายมุนีพึงทำความประพฤติผู้เดียวให้มั่นคงด้วยการละความคลุกคลีด้วยหมู่อย่างนี้มุนีพึงทำความประพฤติผู้เดียวให้มั่นคงถาวรมีการสมาทานมั่นคงมีการสมาทานตั้งลงในกุศลธรรมทั้งหลายตรงนี้ให้สมาทานเลยนะให้อธิษฐานสมาทานเอาให้แน่นเอาให้มั่นเลยนะในเรื่องการบวชในเรื่องการปฏิบัติเนี่ย แล้วก็ไม่พึงเสภเมถุนธรรมความว่ามุนีนั้นไม่พึงเสพไม่พึงซ่องเสภไม่พึงร่วมไม่พึงเสพเฉพาะซึ่งเมถุนธรรมสรุปคถาว่ามุนีทราบโทษนั้นในความเป็นคารวาตอื่นแต่ความเป็นสมณะก่อนนะ ในธรรมวิไ น, นัยนี้พึงทําความประพฤติผู้เดียวให้มั่นคงไม่พึงเสพเมตุนธรรมอันนี้ก็ชี้แน่นะรู้ว่าถ้าอยู่ในเพศคารวะแล้วเสื่อมเสียอย่างไรเสียหายยังไงก็กลับเข้ามาบวชเข้ามาบวชแล้วก็เอาให้มั่นคงนะอย่าไปเสพเมถุนธรรมบุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นเที่ยวเพราะความประพฤติวิเวก น, นั้นเป็นกิจอันสูงสุดของพระอริยะทั้งหลาย น, นะการวิเวกนะวิเวกสามเนี่ยเป็นกิจของพระอริยะท่าน บุคคลไม่พึงสําคัญว่าเราเป็นผู้ประเสริฐด้วยความประพฤติวิเวกนั้นบุคคลนั้นแลย่อมเข้าไปใกล้พระนิพพานอันข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานก็คือศึกษาวิเวกเพราะว่ า, าการศึกษาวิเวกเนี่ยเป็นงานของภารยะแล้วก็เมื่ออยู่ในวิเวกอย่างนี้ก็อย่ามีมานะนะอย่าไปมีมานะเพราะว่าผู้ที่ศึกษาวิเวกไม่มีมานะนี่แหละเรียกว่าใกล้พระนิพพานอธิบายว่า วิเวกก็คือวิเวกสามนะกายาวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนะกายวิเวกก็คือเน้นแต่เพียงผู้เดียวเนี่ย น, นะยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวเดินผู้เดียวนอนผู้เดียวเป็นต้นเนะี่ยจิตวิเวกก็คือรูปประชานสี่รูปประชานสี่หรือรพระโสดาบันพระอริยบุคคลสี่เป็นผู้มีวิเวก น, นะรูปประชานก็สงัดจากนิวร์เป็นต้อนอรูปประชานก็สงัดจากรูปประชาน พารยะก็สงัดจากกิเลสเนี่ยเรียกว่าจิตวิเวกส่วนอุปธิวิเวก็หมายถึงผู้ที่หมดอุปธิถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นวิสังขารเนี่ยนะ ศ, ศึกษาก็คือสิกขาสามเนี่ยนะให้สิกขาคือศึกษาสิกขาสามในวิเวกสามเนี่ยนะั้นข้อปฏิบัติก็คือสิกขาสามในวิเวกสามนะ บุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นเทียวความว่าพึงศึกษาพึงประพฤติเอือ้อเฟื้อพึงประพฤติด้วยดีพึงสมาทานประพฤติวิเวกนั่นเทียวเพราะว่าความประพฤติวิเวกนั้นเป็นกิจอันสูงสุดของพระอริยะทั้งหลายนะเป็นหน้าที่ของพระอริยะพระอริยะท่านประพฤติวิเวก ค, ความว่าพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเรียกว่าพระอริยะ ความประพฤติวิเวกนั้นนะเป็นกิจอันเลิศประเสริฐวิเศษเป็นใหญ่สูงสุดบวรของพระอริยะเนี่ยนะก็พระพุทธเจ้าพระองก์ก็วิเวกใช่ไหมตายวิเวกปรองก์ก็ออกบทนะออกบทแล้วก็ประพฤติจิตตวิเวกแล้วก็เข้าถึงอุปธิวิเวกสาวกทั้งหลายมีภาษารีบุตรพระโมคขาลานะท่านก็ลักษณะเดียวกันอุปนพระนิพพานไม่ใช่อุปธิวิเวกเป็นชื่อของนิพพานเนี่ยนะ ผู้ที่ประพฤติการวิเวกจิตวิเวกจะบรรลุอุปธิวิเวก ค, คือพระนิพพานคําว่าบุคคลไม่พึงสําคัญว่าเราเป็นผู้ประเสริฐด้วยความประพฤติวิเวกนั้นน่ะคือความว่าบุคคลไม่พึงทําความกําเริบขึ้นไม่พึงทําความยกขึ้นไม่ถึงความไม่พึงทําความถือตัวไม่พึงทําความกระด้างด้วยความประพฤติวิเวกนั้นน่ะนะไม่ใช่ว่าตัวเองมาประพฤติวิเวกแล้วก็ เป็นคนที่มีมานายกตัวฟูไม่ใช่แบบนั้นคือไม่พึงยังความถือตัวให้เกิดไม่พึงทําความผูกพันด้วยความประพฤติในวิเวกนั้นน่ะไม่พึงเป็นผู้กระด้างเย่อหยิ่งหัวสูงด้วยความประพฤติวิเวกนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลไม่พึงสําคัญว่าเราเป็นผู้ประเสริฐด้วยความประพฤติในวิเวกนั้นนะก็อย่าไปอาศัยวิเวกนั่นแหละมาเป็นเครื่องยกหูชูงวงมีมานะยเย่อหยิ่ง บุคคลนั่นแลย่อมเข้าใกล้พระนิพพานคือผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะบุคคลนั้นย่อมเข้าไปที่ใกล้ในที่ใกล้รอบในที่ใกล้เคียงไม่ห่างไกลใกล้ชิดต่อพระนิพพานเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตามได้อย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ใกล้พระนิพพานจริงๆมันสรุปคาถาที่ว่าบุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นเทียวเพราะความประพฤติวิเวกนี้เป็นกิจอันสูงสุดของพระอริยะทั้งหลาย บุคคลไม่พึงสำคัญว่าเราเป็นผู้ประเสริฐด้วยความประพฤติวิเวกนั้นบุคคลนั้นและย่อมเข้าไปใกล้พระนิพพานคาถาที่1ิบว่ามูสัตผู้ยินดีในกามทั้งหลายย่อมรักใคร่ต่อมูนีผู้ประพฤติว่างไม่มีอะไรในกามทั้งหลายผู้ข้ามโอคาได้แล้วนะคือถ้าหากว่าประพฤติดีปฏิบัติชอบบรรลุเป็นพระอริยข้ามโอคาได้แล้วเนี่ยนะใครก็รักว่างั้นเถอะ น, นะบุคคลทั่วไปเขาก็รักเขาก็นับถือเขาก็ศรัทธาอธิบายว่าตอมุนีผู้ประพฤติว่างประพฤติว่างนะคำว่าว่างก็คือเป็นผู้ว่างเป็นผู้เปล่าเป็นผู้สงัดไอ้คำว่าว่างเปล่าสงัดนี่ทําไงโล่งหมดเลยใช่ไหมแต่หมายถึงว่าผู้สงัดจากความชั่วทางกายวาจาและใจก็คือสงัดจากกายทุตจิตวจีทูจริตมโนทูจริตเนี่ยนะสงัดจากราคะโทสะ โ, โมหะ นะก็สังอาจจากอกุศลมูลสังัดจากความโกรธความผูกโกรธอันนี้ก็โกรธธรรมดาก็เรียกว่าโกรธถ้าโกรธบ่อยๆนี่นะคิดแล้วโกรธคิดแล้วโกรธเรียกว่าผูกโกรธลบหลูตีเสมอริษยาตรณีความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นท่านความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวง อากุศลาพิสังขารทั้งปวงเนี่ยนะเรียกว่าประพฤติว่างคำว่าว่างไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆโดไม่ใช่แต่หมายถึงว่าไม่ให้มีความชั่วทางกายและวาจาใจเลยไม่ให้มีอากุศลมูลเกิดไม่ให้มีอุปกิเลสเกิดไม่ให้มีกิเลสทุจริตความกวนกวยความเร่าร้อนความเดือดร้อนอากุศลาพิสังขารเนี่ยเกิดขึ้น อันคำว่ามุนีก็คือยานเรียกว่าโมนะได้แก่ปัญญาก็คือผู้มีความรู้นะผู้มีปัญญาคำว่าประพฤติก็คือเที่ยวไปอยู่เปลี่ยนอิริยาบถประพฤติรักษาเป็นไปยังอัตภาพให้เป็นไปมุนีผู้ไม่มีอะไรในกามทั้งหลายเนี่ยนะคำว่ากามก็คือสองอย่างใช่ไหมคือวัตถุกามกับกิเลสกามวัตถุกามก็คือ อารมณ์ทุกชนิดเนี่ยนะกิเลสกามก็หมายถึงตัวกิเลส ม, มุนีนั้นกําหนดรู้วัตถุกรรมกําหนดรู้วัตถุกรรมด้วยยาตะปริญญากับตีรณปริญญาละเวน้นบรรเทาทําให้ถึงความไม่มีซึ่งกิเลสกามด้วยปหานะปริญญาเนี่ยนะชื่อว่าไม่มีอะไรในกามทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็สละสารอกปล่อยละสละคืนกามเสียแล้วปราศจากราคะสละ สละคืนปล่อยละสละคืนราคะเป็นผู้หมดตันหาดับแล้วเย็นแล้วสเสวยความสุขมีตนประเสริฐอยู่นะมีตนเป็นเหมือนพรมเนี่ยนะนันเป็นผู้ที่ไม่อะไรในกามสละคืนในกามสละคืนราคะสละคืนตันหาคำว่ามูสัตผู้ยินดีในกามทั้งหลายย่อมรักใครผู้ข้ามโอคาได้แล้วนะ ก็คือประชาเป็นชื่อของหมูสัตว์ทั้งหลายหมูสัตว์ผู้กําหนดปรารถนายินดีติดใจลุ่มลง้งเกี่ยวข้องพัวพันในกามทั้งหลายนะจริ ง, รงๆเขาก็ยังผูกพันในกามือนนะเหมือนกับชาวบ้านทั้งหลายเขาก็ยังยินดีเพลิดเพลินในกามแต่ว่าหมูสัตว์เหล่านั้นย่อมอยากได้ยินดีปรารถนารักใคร่ชอบใจต่อมูนีนะต่อผู้มีโมลเนยธรรมทางกายวาจาใจเนี่ยนะผู้กําหนดรู้วัตถุ ก, การมผู้ละกิเลสกรรมได้อย่างนี้เนี่ยซึ่งมูนีผู้ข้ามขึ้น ข้าม พ, พ้นก้าวล่วงล่วงเลยล่วงไปซึ่งกามโมฆะพโวคะทิโถโขฆาวิโชคะทางแห่งสงสารทั้งปวงผู้ไปสู่ฝั่งถึงฝั่งผู้ไปสู่ที่สุดนะผู้ไปสู่ส่วนสุดถึงส่วนสุดผู้ไปถึงที่สุดถึงที่สุดผู้ไปสู่ส่วนสุดรอบถึงส่วนสุดรอบก็คือเป็นผู้ไปถึงไปสู่นิพพานถึงนิพพานนั่นเองไปสู่นิพพานถึงนิพพานเนี่ยนะ ไปสู่ที่จบถึงที่จบไปสู่ที่ต้านทานถึงที่ต้านทานไปสู่ที่ลี้ลับถึงที่ลี้ลับคือนิพานเนี่ยนะไปสู่ที่พึ่งถึงที่พึ่งคือนิพานไปสู่ที่ไม่มีภัยถึงที่ไม่มีภัยคือนิพานไปสู่ที่ไม่เคลื่อนถึงที่ไม่เคลื่อนไปสู่อมตะถึงอมตะไปสู่นิพานถึงนิพานตรงนี้ใช้คําที่ใช้แทนนิพานหลายคําด้วยกันคือคำหนึ่งคำว่าฝั่งสองส่วนสุดสามที่สุดสี่ส่วนสุดรอบห้า ที่จบหกที่ต้านทานเจ็ดที่ลี้ลับแปดที่พึ่งเก้าที่ไม่มีภัยสิบที่ไม่เคลื่อนสิบเอ็ดอมะตะสิบสองนิพานเนี่ยนะอันนี้ก็คําต่างๆที่ใช้แทนนิพานเหมือนพวกลูกหนี้ย่อมปรารถนารักใคร่ความเป็นผู้หมดหนี้ฉันใดพวกป่วดคนป่วยไข้ย่อมปรารถนารักใคร่ความเป็นผู้หายโรคฉันใด พวกติดอยู่ในเรือนจำย่อมปราถนารักใคร่ผู้พ้นไปจากเรือนจำฉันใดพวกทาตย่อมปราถนาความเป็นไทยฉันใดพวกคนเดินทางกันดานย่อมปราถนารักใคร่ภาค พ, พื้นที่กเกษมฉันใดหมูสัตว์ผู้กำหนัดปราถนายินดีติดใจลุ่มหลงเกี่ยวข้องติดข้องผัพวพันในกามทั้งหลายหมูสัตว์เหล่านั้นย่อมอยากได้ยินดีปราถนารักใคร่ชอบใจต่อมุนี ผู้ข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยซึ่งกามโมคพะพโวคะเนี่ยนะทิดโถฆะอวิโฆฆะทางแห่งสงสารผู้ไปสู่ฝั่งถึงฝั่งผู้ไปสู่ที่สุดนีนะสู่ส่วนสุดถึงส่วนสุดไปสู่ที่สุดถึงที่สุดไปสู่ส่วนสุดรอบถึงส่วนสุดรอบไปสู่ที่จบถึงที่จบไปสู่ที่ต้านทานถึงที่ต้านทาน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 ก็ย่อมรักใคร่ผู้ข้ามโอคะนะแต่ก็จริงนะนะอย่างสมมุติว่าอย่างประชาชนในยุคนี้ก็ยังชอบในกามชอบรูปชอบเสียงกลิ่นรสโภชภาพอยู่ใช่ไหมแต่ก็นับถือพระพุทธเจ้าอ่ะเคารพกราบไหว้นับถือบูชานะผู้ที่เป็นมุนีผู้มีโมนายธรรมทางกายทางวาจาทางใจผู้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะนะมูสัตว์ทั้งหลายก็รักในในผู้ที่อ่าข้ามวัตฏะได้อย่างนั้น คำว่ามูสัตผู้ยินดีในการทั้งหลายรักใคร่ต่อมูนีผู้ประพฤติว่างคือว่างจากความชั่วไม่อะไรในกิเลสกรรมและวัตถุกรรมข้ามโอค่าแล้วเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่สัตว์ทั้งหลายเคารพรักนับถือบูชา